เรากะว่าจะไปดูคนเจ็บสัหน่อยแต่เห็นศิลาจารย์ให้เขาแล้วแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นความเจ็บปวดคงจะทุเลาไปแล้วเขาหลับตาหลังจากทิศศิลาเข้านอนแล้วแล้วก็ลหลบอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นเดินของเราอยู่ด้านข้าขงถึงรุ่นพ่อท่อเราใช้บันไดด้านเดียวกันแต่พอเราเดินมาที่เวทระเบียงเดินของเราจะไม่ท่านจะเปิดห้องเลยแล้วก็เริ่มเห็นเงาใครคนหนึ่ง ยืนจ้องอยู่ตยใต้ต้นไม้ข้างล่างนั่นใครอ่ะจะถามว่าใครฮะฉันเองแหละนังโบเกอเออฉันทำไมละ่ะเจอฉันยังกับเจอผีหรือไงอ่ะพี่ไปทำอะไรมา เปล่าไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นน่ะไม่ได้ทำอะไรรับไปยืนทำไมตอนต้นลิจีน่ะใช่ไปยืนรอพี่สุเวงไงอ่ะรอข้าเหะอืรอทําไมมีแหละมีสิมีมากซะด้วยมีอะไรไปคุยพรุ่งนี้แล้วกันนะไม่ได้ถ้าพี่สุเวงเข้าห้องนอนฉันก็จะตามเข้าไปนอนด้วยไอ้หนึ่งนี่ยังจะบ้าหรือไงจะเข้าห้องนอนข้าเนี่ยนั่นแหละห้องนอนที่พี่สุเวงนี่แหละที่ฉันอยากจะเข้าไปนอนด้วยมากที่สุดเช่าละเชื่อนึ่งบ้าไปคนเดียวเหอะแคเป็นบ้าด้วยหรอ ทำไมรังเกียจฉันมากนักหรือไงปล่าไม่ได้รังเกียจไม่ได้รังเกียจแต่ก็ไม่ได้รักหรือชอบอะไรด้วยใช่ไหมละ่ะปากดีนักนัเองปากอย่างนี้ใครเขาจะชอบเราพี่สูเวเนี่ยเองบปบ้าไปแล้วหรือไงฮะอุทานเสียงลั่นเชอะเคยเดี๋ยาหลับเขนอนกันหมดแล้ ว, วสะดุ้งตื่นกันหมดยังจะเดือดร้อนนั้นจะบอกให้ใช่ไม่กลัวใช่เนอย่างเองมันกลัวใครที่ไหนกันหน้าด้านเหลือทน นี่ถ้าพี่สูเวยยังว่าฉันศาสตร์เสียเทยเสียอีกแล้วก็จะจะกรีดลั่นทุ่งเลยดูสิจะมีคนสะดุ้งตื่นกลางคืนกันไหมเอออย่านะเว้ยเอ็งจะาทำอย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่อยากให้ฉันทำก็รีบลงมาหาฉันสัทีสิเ อ, อ็งมีอะไรกับข้าเล่าก็ลงมาก่อนสิบัดทพี่จะลงไหมอ่ะถ้าไม่ลงฉันจะกรีดเดี๋ยวนี้แหละเออก็ได้ก็ได้ไดเอ็งนี่มันบ้าอ ม, มีใครเกินเลยนี่พิสูเวยจา้า ฉันจะไปรอพี่ใต้ต้นแอปเปิ้ลนะจ๊ะคุยไปกินแอปเปิ้ลใต้พงพลางแสนจะมีฟาร์มสุขจ้าจ เขาจะได้กลับไปนองสักทีง่วงจะตายอยู่แล้วมันไสจริงนะพี่สุเวเนี่ยจะพูดไม่พูดพูดแต่พี่สุเวจะมายืนคุยกับฉันเรื่องไงก็นั่งลงมาก่อนสิตายตนแอปเปิลเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกอะลูกแอปเปลิลเพิ่งเก็บมาตะกี้นี่เองกินซะเอออ่ะมีอะไรว่ามาอย่าคุยนานนะกัละอขนั่งแล้วไงมีอะไรก็พูดมา นี่ขอถามหน่อยเหอะพิ<า>สุเวศทำไมถ้าฉันเป็นศรีลาพี่จะมีอารมณ์กาแฟกาเฟียแบบนี้ไหมพี่นี่เองว่าไงล่ะตอบฉันมาก่อนสิจา้าข้าก็ไม่ได้กาแฟกาแฟอะไรถึงนั้นน่ะแน่ใจเหรอแน่อยู่กับแน่สิจะบอกให้เอาเหอะฉันเชื่อพี่ก็แล้วกันนะมีอะไรว่ามาม่วงเต็มทนแล้วว่ะนี่พี่รักศรีลาเขาใช่มากเฮ้ยนันบุเกยิ่งถามอะไรของเองอะ่ะ ถามตรงๆไงล่ะพี่พิสุเวตอบฉันมาตามความจริงสิรู้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรสหรับเองก็ฉันทำไมนี่พิสุเวมองฉันไม่ออกหรือไงมองอะไรข้ามไม่รู้อะไรทั้งนั้นน่ะก็ฉันเ่าง <c oughs> <c oughs> รือเร็วพูดมาเถอะนะาแล้วพ่สุเวใจคอจะให้เราพูดตรงๆว่าเรารักเขาอย่างนั้นยังไงเราเป็นผู้หญิงนะมียางอายเหมือนกันน่ะ ยิงผู้ชายไม่ยอมขึ้นบ้านผู้หญิงเพื่อเสียผีกันแล้วจะให้พูดว่าอะไรได้ล่ะเดี๋ยวก็ผิดขนบธรรมเนียมของที่นี่หรอกโอ้ยจะให้ปิด ป, ปาก พ, พูดได้ยังไงล่ะเนี่ยพิสุเวมองเราแววตาเราไม่ออกหรือแกล้งมองไม่ออกกันแน่นะโถเอ้ย ว่าไงเอ็งทำไมคือว่าฉันก็ฉันฉันฉั น, ฉ, น, ฉ, นฉันทำไมแล้วฮะไม่มีมอะไรอ่ะอ่ะฉันให้ดอกกระเจียวอ่ะนะฉันไปละเดี๋ยวเอไปเอาไปจากไหนเนี่ยแล้วมาให้ข้าทำไมเออรู้ว่าไปขโมยเด็ดแปลงทดลองพืชหลวงมานี่นางคนนี้นี่มันอะไรของมันนะวิ่งไปนูนนะ่น่ะทั้ที่จะกลับมาคุยก่อนก็ไม่มางงว่ะ Thank you. ฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รับนำเสนอโดย Nation Entertainment s ม m ส k มารถกั e เราแค่ห i างแค่เพียงต a วมือแต่การไ I'm s รับฟังรายการละครวิทยุแม่สเสียงที่รักนําเสนอโดย Nation Entertainment คุณสูไหมครับค่ะใครคะน่นนะเออผมกี่ครับอ้าวกี้นั่เองมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยโทรมาสะดึกเชียงขอโทษด้วยที่โทรมากลางดึกนะฮะไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าทาอีกนะมันไม่ดีเพราะนายก็รู้ดีแล้วนี่นะว่าตอนเนียฉันไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเจ้าเบ่าหลับไปแล้วไม่อย่างนั้นนะฉันจะต้องอธิบายเขายกใหญ่แน่เลยล่ะก็ <laughs> ขอโทษอีกครั้งนะฮะเ อ, อ่อผมจําเป็นจริงจริงนะคุณสุ <laughs> พูดแบบคนเองก็ได้นี่เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอใช่ใช่ ฉันยังเห็นเธอเป็นเพื่อนอยู่นะแต่ฉันเกรงว่าเธอจะไม่มองฉันเป็นเพื่อนแล้ ว, วสิทําไมถึงได้คิดอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าฉันไม่ได้ไปแสดงความใจดีกับงานแต่งงานของเธอนี่ขำอะไรอ่ะก็ขำนายนะสินายพูดถึงกับว่ า, วานายไม่เคยรู้จักฉันมาก่อนอย่างนั้นแหละก่อนนึกว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วเห็นว่าเอจะบ่าวรวยมากมีรีสอร์ตอยู่ที่เชียงร า, ายด้วยไม่ใช่รีสอร์ตหรอกแค่โรงแรมเล็กๆเท่านั้นเองแหละนั่นแหละ ยังไงเจ้าบ่าวก็เธอเขารวยนะแล้วไงล่ะเธอจะบ่าวฉันรวยฉันจะต้องพยองตัวเองลืมเพื่อนหมดเลยหรือยังไงฮะอืมก็กลงไปเองอ่ะฉันยัเหมือนเดิมทุกอย่างเ อ, อเรื่องของเทพนะ่ะฉันเคยบอกนายหลายครั้งแล้วมันคนละเรื่องกันอย่าพยายามเหมาเป็นเรื่องเดียวกันล่ะเดี๋ยวก็จะพลอยโกรธพลอยเกลียดกันไปตลอดชีวิตฉันเข้าใจถ้าใจจริงๆเหรอจ๊ะจริงสิใช่จริงทําทไมไม่มางานแต่งงานของฉันล่ะก็ไปแล้ว ไปประเทศที่หหินน่ะแต่เธอบินไปเชียงรายเะก่อนไงตามมาที่นี่ก็ได้นี่ก็อยากจะไปเหมือนกันแต่งานรัดตัวไปไหนไกลๆเนี่ยหลายวันไม่ได้หรอกทำไมไม่เทลูกน้องให้ทํางานแทนนายให้ได้ล่ะนายจะได้ไม่บีบรัดตัวเองแบบนี้ไงนายเหมางานทําคนเดียวไม่กระจายให้ลูกน้องก็เท่ากับนายนะ่ะเอาเชือกรัดคอตัวเองในที่สุดนายก็หายใจไม่ออกถูกต้องมากเธอพูดถูกแล้ว ฉันจะต้องเตรี่ยนแปลงแผน ง, งานแล้วล่ะดีมากแล้วเทพล่ะเห็นว่ามาถึงเชียงใหม่แล้วไม่ใช่เหรอฉันว่าข้อหลอกฉันกลัวมากกว่าบอกเลยว่าฉันไม่เคยหวั่นเกรนเรื่องของเทพเลยเพอฉันพูดเรื่องของเทพให้แฟนรู้แล้วฉันกับเทพน่ะไปด้วยกันไม่ได้จริงๆครับแล้วไงคะเอติดต่อเทพไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยติดโทรมาเนี่ยก็เพิต้องการถามเธอว่าเทพไปหาเธอหรือ ย, ยังเพราะตอนคุยกันเมื่อตอนกลางวันเนี่ย เขาขับรไปหาเธอที่เชียงรายนะไม่หาใช่แล้วเหรอกี้อืมเอ๊ไม่มีนี่นะฉันยังไม่เห็นคุณเลยนะกกี้จริงเหรอจริงสิฉันจะไปโกหกนายทำไมล่ะมงั้นเขาหายไปไหนของเขาเนะ่ติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยโทรไปที่โรงแรมที่เขาพักหรือยังล่ะเ ช, ช, ชียงใหม่นี่เหรอจ้าโทรไปแล้วเจ้าหน้าที่โรงแรมบอกว่าออกไปแต่เช้าแล้วแจ้งว่าจะไม่กลับมานองค้างเพราะเดินทางไปเชียงรายอ่ะสื่อก็ตรงกันนี่นะนั่นน่ะสิ แล้วเขาหายไปไหนกันเนี่ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยอเธอว่าจะเกิดอันตรายกับเขาไหมเนี่ยฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะงานแต่งงานฉันก็ยุ่งนะ่ะไม่ได้เปิดทีวีดูเลยทําไมดีแล้วเนี่ยถักเป็นห่วงเทพปรัสสิกเออรอพรุ่งนี้วันดีไหมรอเจ้าเผื่อว่าเขาแวะเที่ยวที่ไหนสักแห่งก่อนน่ะออือรอดูก่อนนะไม่งั้นก็ไม่รู้จะทําไงเหมือนกันเวลาไม่ครบยี่สี่ชั่วโมงแจ้งคนหายไม่ได้นะคะก็ต้องรอค่ะ เอางก็ได้เอ่อให้ฉันโทรหรือว่ากี้โทรเองดีฮะฉันโทรก่อนก็ได้นะยังไงเอ่อฉันจะโทรหาเธออีกทีดีไหมเออก็ดีเหมือนกันจ้ะก็รบกวนเธอแค่นี้นะจ้าอย่าคิดมากนะบางทีเทปก็อาจจะเที่ยวเพลินก็ได้จ้าจาหลับฝันดีนะจ้าเช่นดีกว่าจ้าออเอ่ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเดี๋ยวก่อนดี๋วก่อนเอ่ อ, อ, อว่างเมื่อไหร่มาหาฉันได้ที่เชียงรายนะเรื่องที่พักไม่ต้องห่วงมีที่พักให้ฟรี แต่ต้องโทรมาบอกล่วงหน้าสักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะจ๊ะจะได้จองห้องไว้ให้อได้สิแล้วจะโทรไปหานะขอบใจมากนะจ้าบายนะไม่บายจ้าเทไหายตัวไปจริงๆเหรอมันเป็นไปได้ยังไงล่ะเขาจะต้องตรงสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งแน่เลยพรุ่งนี้จะคอยดูสิเขาจะปรากฏตัวตรงหน้าบ้านเราก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะ คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนใบสนิยบัตดหรือจดหมายสแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตู้ปอนอสอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสใบสนีย้5ห0 0 0หรือส่งที่ SMS 082-033-5951 ทุกท่านที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาทางเราจะจัดส่งหนังสือหรือซื้อยืดไปให้แก่ท่านฟรี